อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เปิดรายการในเช้าวนันนี้ด้วยรายการธรรมารับรุณเหมือนเช่นเคยค่ะเราพบกันในเช้าวนันนี้เป็นเช้า ว, วันเสาร์ที่23มิถุนายนนะคะวันนี้เป็นวันขึ้น5ข้ามเตือน8ค่ะปีมะโรงนะคะ สำหรับการพบกันในเช้าวันเสาร์นี้ก็เหมือนเช่นเคยแหละค่ะดิฉันจะได้ทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังนะคะในการที่จะนำท่านผู้ฟังนั้นมากราบน้ำพระสกสารท่านพระอาจาร ย, ย์ไพบุตรอภิปุโนโรพระอาจารย์องค์ปาถกประจํารายการธรรมรับอรุณของกรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็เรียกว่าทำหน้าที่มาพูดคุยสนทนาธรรมะหรือที่เรียกกันว่าสักษากาับท่านพระอาจาร ย, ย์ไพบุตรอภิปุโนในประเด็นหลายๆเรื่อง ที่คิดว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาของเรารวมทั้งคําสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยก็คิดว่าท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการประจำนะคะก็คงจะจํากันได้เลยค่ะแล้วก็คงไม่ลืมว่าปีนี้เรากําลังเฉลิมฉลองปีพุทธยันตินะคะก็คือปีที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระศาสดาของพระพุทธศาสนาของเรานั้นจัสรุมายาวนานครบ 2,600 ปีในปีพุทธศักราช2 5 5 5นี้นะค ะ, ะสำหรับในเช้าวันนี้จะพูดคุยในเรื่องที่คิดว่าใกล้ตัวมากที่สุดแล้วก็มีท่านผู้ฟังทางบ้านรวมทั้งตัวของดิฉันเองเนี่ยสนใจเรื่องนี้มากเลยแล้วก็มีการพูดกันถึงคำคำนี้มากเหลือเกินจะเป็นคำคำไหนนั้นเราไปรับฟังจากท่านพระอาจารย์ไภบุญอภิพุโ น, โนนะคะกลาวณมสการพระอาจารย์ไภบุญอภิพุโ น, โนเจ้าค่ะเจฟสาธุเจ้าค่ะ ที่ยอมเกิดมานะเจ้าคะก็จะขอกราบเรียนว่าวันนี้อยากจะขอความเมตตาท่านพระอาจารย์ไพบุตรหรพีพนโนในฐานะที่ท่านเป็นพระอาจารย์ผู้มุ่ในการหลักสูตรปฏิบัติธรรมรีเล้นปิดวาจาตามพุทธโอษขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของวัดบ่าดอนไหโศกตําบลดอนหโศกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะเจ้าคะจะขอสนทนาเรื่องกรรมเจ้าคะ่ะสำหรับคำประกรรมนี้คิดว่า พระอาจารย์บอกเลยว่ามีคนยังเข้าใจผิดกันเยอะมากช่หลายคนพอทําอะไรรู้สึกอะไรที่มันไม่ค่อยดีที่เกิดขึ้นกับชีวิตเรานี่เราก็มักจะบอกว่ามืนคงเป็นกรรมเก่านะคะ อ, อ, อย่างนี้ค่ะเค่ะท<ช>ีนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่โยมคิดว่าคงจะมีเรื่องที่พระอาจารย์ไพบุญจะเมตตามาสาขชาหรือชี้แจง ใ, <ช>ให้เห็น<ช>ว่ากรรมจริงๆตามพุทธศาสนาแล้วที่เขาเรียกว่ากรรมจึ่งก็คือการกระทําเนี่ยมัน<ช>อะไรแน่ที่มันผิด มีผลต่อเราบ้างเจ้าค่ะกลับนิมนต์เจ้าค่ะกรรมในที่นี้ต้องสะกดให้ชัดเจนเอภาษาไทยก็จะใช้คําที่เหมือนกับภาษาสันสกฤตคือกอไก่รอเรือ2ตัวคือรอหันแล้วก็หมอม้านัคือไม่ใช่เหมือนกับกรรมมือกรรมไม่แบยังงี้ไม่ใช่นะแต่เป็นกรรมกอไก่รอเรือรอหันแล้วก็มมอม้าหมายถึงกรรมเนี่ยโดยทั่วๆไปคนก็จะคิดว่าเป็นการกระทําแต่ว่าการกระทําเนี่ยจะไม่เหมือนกับกรรมทีเดียวนี้ต้องทําความเข้าใจเรื่องตัวศัพ์ก่อน แต่พุทธเจ้าบอกว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมนั่เจตนาคือกรรมนั่เจตนาคือกรรมนะเอาแล้วไอ้การกระทําการกระทํำแต่มันคืออะไรมันไม่เหมือนกันอพุทธเจ้าเคยพูดถึงข้าศัตร์คำหนึ่งเรียกว่ากิริยาในกิริยาก็คือหมายถึงเหมือนกับกิริยาคํานามคํากิริยาอย่างนี้ใช่ไหมคำกิริยาเนี่ยเป็นการกระทํากิริยาก็อย่างหนึ่งกรรมก็อย่างหนึ่งความเพียรก็อย่างหนึ่งสามอย่างนี้ไม่เหมือนกันอืเจ้าค่ะกรรมนี่คือเจตนาเจตนาเนี่ย เป็นรากสับที่เราทําให้เรารู้ว่าเออมันมาจากใจของเราแต่ถ้าเราตั้งใจที่ทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นคือการรับเป็นเจตนาหลักทีนี้การกระทํากิริยาเนี่ยบางทีมันไปอีกแบบหนึ่ ง, งสมมุติว่าตัวอย่างที่เราเคยยกยกกันอยู่ในรายการนะก็คือเวลาเร า, เามาวัดอย่างเงี้ยคุณเตือนใจมานั่งสมาธิใช่ไหมเรามีจิตใจแผ่เมตตาไปเราเดินไปในวัดเอาไปเหยียบไปเหยียบหอยตายอย่างเงี้ยหรือเดินไปเอากุณเหยียบเชื้อโรคตายหรือว่าไปตั้งใจทําอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นอันนั้นคือกิริยาาคือกกรระทํา ซึ่งเราทําตรงนี้โดยที่ไม่ได้มีเจตนาเจตนาคือกรรมนะเพราะฉะนั้นการกระทําใดๆที่ไม่มีเจตนานั่นก็เป็นอโหสิกรรมาจคือเป็นอโหสิกรรมคือผลของกรรมที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเป็นอโหสิกรรมเพราะว่าอะไรเพราะว่าจิตของเราเนี่ยไม่ได้มีเจตนาเจตนาคือกรรมนะเพราะฉะนั้นเจตนาที่ไม่มีกรรมไม่มีผลของกรรมก็ไม่มีผลของกรรมไม่มีก็เป็นอโหสิกรรมแสดงว่ากิริยาคือการกระทํานั้นเนี่ย มีเป็นผลให้ผลเป็นอาโหสิกรรมคูณงนี้แลนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยพยาให้เป็นคนคิดว่าโอ้ทั้งนั้นฉันขอละกันนะขอให้อะไรที่ฉันทําไม่ดีมาทั้งหมดเนี่ยเป็นอโหสิกรรมว่าอย น, น, นะแล้วก็ไปเที่ยวไปบูชาเอาทู่ไปจุดสักเกดอกไปไหว้พระสักเก้าวัดไปทอางงอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อที่จะขอว่าเฮ้ยขอให้กรรมที่ฉันทํามาไม่ดีไม่ดีเนี่ยกลายเป็นอโหสิกรรมพรุทธเจ้าบอกว่าไม่สามารถทําได้ เจไม่ว่าใครก็ตามนะเธอจะไม่สามารถทําได้ด้วยความเพียรหรือการร้องขอว่าขอให้ไอ้กรรมที่มันจะต้องให้ผลเนี่ยให้เป็นอโหสิกรรมไม่ได้ขอว่ากรรมนะที่จะต้องให้ผลเป็นความสุขขอให้ผลเป็นทุกข์นะขอให้กรรมที่จะให้ผลกลายเป็นไม่ให้ผลขอให้กรรมที่จะให้ผลในอนาคตจะให้ผลเดี๋ยวบัดนี้ไม่ได้นะอย่างเช่นดวเราใส่บาตรตอนเช้าให้พระอย่างเงี้ยัอก็ขอให้เย็นนี้ให้ผลของกรรมนี้สักเถอดจะได้หมดทุกสักทีคุณขอไม่ได้ อืมจุกค่ะอ่าแล้วถามว่าเอาแล้วเราเราทำไปทำไมแล้วมันจะรู้ได้ไงว่าให้ผลหรือไม่พรพุทธเจ้าสอนในเรื่องนี้ตรงๆว่าอย่างไรจึงจึงคิดว่าเราจะต้องเอาเรื่องกรรมมาพูดตรงนี้ให้ให้มันหมดจดทีเดียวนะคือจริงๆสืบเนื่องมาตั้งแต่วันพฤหัสกับวันศุกร์ที่ที่อาตมาได้เอาพุทธวจนะมาอ่านให้ฟังเนี่ยนะก็ได้รวบรวมเรื่องของกรรมเอาไว้ได้อธิบาย คิดว่าการอธิบายแล้วก็ยังอาจจะมีท่านบูฟังเนี่ยสงสัยอยู่เนื่องจากจะต้องมีการสากระฉาจึงเอาประเด็นเรื่องเนี้มาขวยเครื่องเตือนใจะจ้า<ม>ว่ า, าวันเสาร์นี้ใช่ชใช่ว่าว่าอเออเรื่องของกรรมเนี่ยถ้าเราจะทําความเข้าใจให้ถูกต้องตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยมันคือยังไงกันแน่นเราต้องทําความเข้าใจประเด็นแรกคือเรื่องของกรรมนั่นคือเจตนาอันนี้อันที่หนึ่ง สการกระทําคือกิริยาอันนี้อันที่2 3ความเพียรคือวิทยาสาอย่างนี้ไม่เหมือนกัน <Okay. S 1> นะคุณตั้งทําความเพียรได้นะทำทำความเพียรนะ ค, คือวิทยาคุณทําไปการกระทํากิริยาบางทีมเป็นแบบอื่นที่เราไม่ได้ตั้งใจหรือตั้งใจก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นความตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจตรงเนี้ยคือกรรมมี3 ส, ส่วนทีนี้ทําให้บางคนอาจจะคิดว่าถ้างั้นเราทํากรรมเราขอไม่ได้เลยหรอว่าสร้างกรรมดีหรือกรรมสักอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นกรรมดีอย่างนี้ เช่นว่าเราอุตส่าห์บำรุงเลี้ยงมารดาบิดาอย่างดีให้เงินพ่อแม่นะมีความจงรักภักดีทํางานอย่างเต็มที่บอกขอให้ใส้สักสองคันไม่ได้หร อ, อว่าอย่างนั้นทีนี้ต้องถามว่ า, าผลของกรรมเนี่ยพระเจ้าบอกว่าอย่างนี้ผลของกรรมพระเจ้าบอกว่าอย่างนี้ว่ า, ามีลักษณะเป็นให้ให้ผลในลักษณะ3อย่างนะคือถ้าเราทําความเข้าใจเรื่องของกรรมเนี่ยเราต้องเข้าเข้าใจเรื่องของตัวมันเองก่อนนะว่าตัวของกรรมมีลักษณะยังไงนะเหตุเกิดของเขาคืออะไร แล้วนะก็ลักษณะการแบ่งภาคอนุภาคของเขาจะทําให้มีผลเกิดอะไรบ้างและลักษณะการให้ผลมีอะไรอันดับแรกก่อนตัวกรรมเนี่ยพระเจ้าพูดถึงกรรมดําก็มีกรรมขาวก็มีกรรมไม่ดําไม่ขาวก็มีกรรมดากรรมขาวกรรมไม่ดําไม่ขาวเป็นยังไงนะกรรมดําก็คือการลักษณะที่ทําความชั่วโนะดวยการตั้งใจว่าฉันจะฆ่าสัตว์ลักทรัพย์รือผิดในกรรมพวกปีศาจทั้งหลายแหละอันนี้คือกรรมดำํำนะการ ข, ขาวก็คือกรรมที่ตรงกันข้ามนะก็คือการที่ เราตั้งใจที่ว่าเราจะไม่ลักทรัพย์ฆ่าสรพิษ ผ, ผิดในการพวกนี้นะส่วนกรรมไม่ดำไม่ขาวตรงนี้หนะมายถึงการปฏิบัติตามอริยามรักมีองค์แปดนะทีนี้เหตุเกิดของกรรมเอ๊ะทำไมเราถึงมีเจตนาหลักคุณเตือนใจนะเราเจตนาตื่นเช้ามาตื่นตื่นเช้าๆเลยตนะั้งแต่ตีสี่ตีหเพื่อจะมาฟังรายการธรรมารวุล น, นะเจตนาตรงนี้ของคุณเป็นกรรมนะนะคุณตั้งเจตนาไว้ในการที่จะมาฟังธรรมอันนี้ต้องให้ผลแน่นอนทีนี้ถามว่าเอ๊ะอะไรทําให้เรามีเจตนาอย่างนั้นนะพุทธาพูดถึงผัสสะ ภาษาทาั้งตหูจมูลิ้นกายใจเนี่ยแหละนะคุณรู้มาตั้งนานแล้วว่าทุกตีห้าทางสวทนี่วิทยุประเทศไทยจะนำรายการธรรมารับรุ์มามาเปิดให้ฟังเรารู้ภาษานี้มันอยู่ในใจเราแล้วเราก็เลยตั้งใจนะมีกรรมมีเจตนาที่จะเ อ, อ่ยมาฟังอันนี้เป็นภาษานะคือภาษาอันนี้เรียกว่าเป็นกรรมดีได้ไหมเจ้าคะถูกต้องอันนี้เป็นกรรมดีกรรมดีนี้จะ ใ, ให้ผลไหมให้ผลแน่นอนให้ผลเป็นอะไรให้ผลเป็นความดีให้ผลเป็นความขาว ถ้าเราทํากรรมสีขาวให้ผลเป็นขาวทํากรรมสีดําให้ผลเป็นดําทํากรรมไม่ดําไม่ขาวให้ผลเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมมีกรรมดำกรรมให้ผลดาเป็นยังไงนู่นเรากําเนิฐเดรัจฉานเปรตวิสัยที่ที่ไม่ควรไปอย่างยิ่งกรรมให้ผลเป็นขาวเป็นยังไงคือที่ที่เป็นเทวดาเป็นสวรรค์หรือมนุษย์ที่เกิดในตระกูลสูงตรงนี้มนุษย์ที่เกิดในตระกูลสูงก็ชื่อว่าเป็นเทวดามันนะเป็นผู้ที่อยู่ในที่ที่ดี เจ้ค่ะอ่าแล้วอันที่สามไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนะหมายถึงนิพพานอืมเ mm hmm. จ้าค่ะเพราะฉะนั้นสิ้นกรรมในที่นี้คือนิพพานใช่ไหมเจ้าค่ะถูก ต, ต้องถูก ต, ต้อง <Okay. S 2> การสิ้นที่จะต้องไม่ต้องมามีเจตนาอย่างนุ่นอย่างนี้เพราะว่าในนิพพานเจตนาก็ดับไปในเจตนาก็ไม่มีอ่า <Okay. S 2> เพราะเหตุเกิดของเจตนาไม่มีนะคะทีนี้การให้ผลมันมันแบ่งอย่างนี้คุณเตือนใจมันทําให้เราสับสนตรงนี้ว่าการให้ผลเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าให้ผลในปัจจุบันก็มีนะให้ผลในเวลาถัดมาก็มี ให้ผลในเวลาถัดมาถัดมาอีกก็มีนะให้ผลมีลักษณะของ3ามวาระอย่างเช่นว่าเราพูดกันยกตัวอย่างเช่นนะักบิดคนหนึ่งเขาตั้งใจว่าเอาละฉันจะต้องอ่านหนังสือนะอ่านหนังสือเขาตั้งใจว่าจะอ่านหนังสือนะอันนี้เป็นกรรมของเขานะนะเป็นกา ร, รกระทําละนะเป็น <Okay. S 1> เจตนาที่เขาจะต้องทําละทีนี้เขาก็เลยสร้างกิริยาขึ้นมาคือการกระทำนะเขามีเจตนาที่เขาจะต้องอ่านหนังสือคือกรรมนะเขาจึงใส่ความเพียร นะใส่ความเพียนเข้าไปจึงมีกิริยาออกมานะใส่วิทยาคือความเพียนเขา้าไปทําให้เขามีกิริยาคือการกระทำในการไปอ่านหนังสือผลที่ได้ในเวลาถัดมาเป็นไรผลที่ได้เดี๋ยวนั้นเลยคืองงงงอ่านหนังสือไม่เข้าใจเลยคนจะเรียนหมออย่างเงี้ยอ่านทําความเข้าใจเรื่องชีววิทยาฟิสิกส์เคมีเลขโอไม่เข้าใจ <Okay. S 1> นะนี่คือผลที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นนี่ยกตัวอย่างเฉยๆนะ <Okay. S 1> ทีนี้ผลในเวลาถัดมาอีกนะเขาก็ใส่ความพยายามเข้าไปอีกทําเพียนมากขึ้นทําให้เขาเกิดความเข้าใจขึ้นมานะสอบผ่านได้ นะันี่คือผลในเวลาถัดมาผลของการที่เขาตั้งเจตนาในการอ่านหนังสือเนี่ยทำให้เขาสอบผ่านได้นี่คือผลในเวลาถัดมานะผลในเวลาถัดมาถัดมาอีกคืออะไรเพราะเขาโตขึ้นนะอายุ <c oughs> 4050เป็นหมอที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะเป็นที่สามารถรักษาประชาชนได้เป็นที่เคารพนับหน้าถือตาเป็นช่วยเหลือประเทศชาติอันนี้เป็นผลในเวลาที่3เป็นผลในเวลาถัดมาถัดมาอีกนะ น, นี้จะให้เห็นตั้งตั้งแต่ว่าอ๋อเพราะตอนเด็กๆเนี่ย ไอ้หมอเนี่ยมันตั้งใจมีมีกรรมที่จะตั้งใจอ่านหนังสือทำให้ผลในเวลาถัดมาถัดมาอีกของเขาเนี่ยเป็นหมอที่มีชื่อดังในเวลานี้นะ <Okay. S 1> หรือในอนาคต <Okay. S 1> นะ <Okay. S 1> ทีนี้ถามมาถัดไปถัดไปอีกจะเป็นไงผลที่ให้ต่อไปทำให้หลังจากชีวิตความตายเขาก็มีอยู่ก็เป็นไปได้อืม <Okay. S 1> เพราะนั้นมันให้ผลเป็นเวลาเวลาต่างกันแบบนี้เพราะนั้นเวลาเราทำกรรมสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราตั้งเจตนายอย่างใดอย่างหนึ่งคุณเตนใจเฮ้ อย่างแค่ว่าเราดั่งขึ้นรถเมย์มาลงรถเมย์มาที่ทํางานอย่างเงี้ยหรือว่าทํากับข้าวอยู่เราตั้งเจตนาอย่างใดหนึ่งพวกนี้ต้องให้ผลตลอดเลยนะให้ผลตลอดเลยเพราะฉะนั้นการให้ผลของกรรมเนี่ยมันจึงโอ้โหผสมรวมกันมันหลายชั้นซับซ้อนตั้งแต่อดีตต่อไปโอ้จนทําให้ไม่สามารถที่จะพยากรณ์ได้ว่าอะไรเป็นอะไรพยากรณ์ได้สูนที่พยากรณ์ได้ตอนนั้นหมายความว่าไงคือหมายความว่า อ, อย่างพุะรูชาของเราเนี่ยจะพยากรณ์เรื่องของผลของกรรมที่จะเกิดขึ้นเนี่ย จะพยากรณ์ได้อย่างไม่มีผิดพลาดใช่ไหมเพรา ะ, ะนั้นถ้าอะไรที่มันยังไม่แน่เนี่ยพระเจ้าก็จะยังไม่พยากรณ์คือยังไม่ไม่ตอบออกมาก่อนนะอย่างเช่นว่าบางทีเราทำความดีสักอย่างหนึ่งหนึ่งนะใส่ใส่บาดพระทุกวันเลยนะขยันทํางานอย่างดีเลยทำไมฉันแบบถูกมองข้ามในหน้าที่ตําแหน่งหน้าที่การงานไม่ขึ้นคนไม่เห็นความดีอย่างนี้ชื่อเรียกว่ากรรมกรรมดีไม่ให้ผลนะบางทีคิดอย่างนี้นะซึ่งตรงนี้ก็จึงต้องอธิบายในขั้นตอนที่สอง ว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าบางทีสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นแก่ในชีวิตของเราเนี่ย น, นันมีคนเชื่ออยู่3อย่างว่าสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของฉันเนี่ยเป็นเพราะกรรมเก่าอย่างเดียวแต่มันก็อาจจะมีความคิดว่าโอยเพราะกรรมเก่าฉันทำเอาไว้นะฉันทำไม่ดีตอนนี้ก็รับกรรมไปซะแลเธอถูกข้ามหัวเธอถูกทําไม่ดีเธอถูกด่าว่าหรือว่าชีวิตมีความตกต่ำเพราะกรรมชั่วที่ได้ทําไว้ในการก่อนแต่นะถ้าเธอมีความคิดอย่างนี้นะผิดเลยแต่ไม่ใช่คำสอนพระพุทธเจ้า ถ้าคิด <würden> ว <ancia> ่าความสุขความทุกข <ted ları> ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของฉันเนี่ยนะเป็นเพราะกรรมเก่าที่ฉันสร้างไว้อย่างอย่างเดียวนะอย่างเดียวเลยนะอันนี้ผิดอันที่สองที่พระเจ้าเตือนไว้ก็คือว่าถ้าคิดว่ากรรมเก่าที่ความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยเกิดเพราะว่าผู้อื่นบันดาลให้จะเป็นเจ้านายบันดาลให้เทพยดาบันดาลให้พระเจ้าบันดาลให้อย่างเดียวเลยนะทำให้ฉันมีความสุขความทุกข์ได้นีอันนี้ก็เป็นความคิดที่ผิดเป็นที่ติดที่ผิด <น>แล้วอย่างที่สามก็คือว่าถ้าคิดว่าเอไม่มีไรหรอกเดี๋ยวมันก็เกิดของมันเองอยู่ๆไม่มีอะไรเป็นเหตุไม่มีอะไรเป็นปัจจัยความสุขของทุกความทุกในชีวิตของฉันเกิดขึ้นมาเองอันนี้ก็เป็นความเข้าใจที่ผิดอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดนะทีนี้ที่ถูกทํำยังไงนะผู้เชี่บอกว่าอย่างนี้ว่าถ้าสมมุติว่าคนเนี่ยอที่ต้องการทําความเข้าใจคือว่าถ้าคนไปเข้าใจมัวแต่ถือเป็นสาระสาคัญว่าเออทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะกรรมเก่าจึงไม่ไม่ทําความดีนะไม่ละสิ่งที่ควรละคืออกุศลรำทั้งสิบอย่าง นะคือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ู้ผิดในการแกล้งกล่าวเท็จนะพูดจาหยาบคายพูดจาส่อเสียพูด cher, นะเพ้อเจ้อาบ็นคนพยาบาทมีมิจฉาทิฏฐิเป็นคนเพ่งหลงพวกนี้ถ้าเธอไม่ละนะแล้วถือเอาเรื่องว่ากรรมกล่าวเป็นของสําคัญอย่างเดียวเนี่ยอันนี้ไม่ถูกต้องหรือไม่พยายามที่จะตั้งใจทําสิ่งที่ดนะีเช่นว่าไอ้กุศลกรรมบุทั้ง10อย่างเนี่ยคุณไม่ตั้งใจที่จะทําเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนไม่มีสติแสดงว่าทิฏฐิของคุณนั้นไม่ถูกต้องคือคือหมายความว่าอย่างนี้ว่า ถ้าเราบอกว่าชีวิตของฉันเนี่ยเป็นเพราะกรรมเก่าที่ฉันทํามาเป็นอย่างนี้ทําให้ฉันเป็นอย่างนี้ถ้างั้นการที่คุณฆ่าสัตว์รักทรัพย์นี่ก็เป็นเพราะกรรมเก่าอย่างนั้นเหรอหรือว่าการที่คุณไม่ฆ่าสัตว์รักทรัพย์นี่เป็นเพราะกรรมเก่าอย่างนั้นเหรอคาําตอบคือไม่ถูกไม่ใช่ไงคุณเตือนใจเพราะว่าการที่เราจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ผิดในการไม่ผิดศีลทั้งหลายเนี่ยเป็นเพราะเราตั้งใจที่จะกระทําในบัดนี้แต่แต่ถ้าบอกว่ากรรมเก่าไม่ให้ผลเลยก็ไม่ใช่นะเพราะว่าสุขทุกข์ อาจจะเป็นผลของเหตุแห่งท้องฟ้าก็ได้คือเหตุแห่งอุตุก็ได้ดินฟ้าอากาศอาจจะเป็นผลของอการเตรียมตัวไม่สม่ำเสมอก็ได้อาจจะเป็นผลของสุขภาพก็ได้มีได้ทั้งหลายอย่างมีได้<ช><า>ยอย่างน้อหอย่าง<ช>นะเพราะฉะนั้นไอ้ความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นเพราะกรรมเก่าทั้งหมดหรือมันไม่ใช่ว่าเป็นเพราะคนอื่นทําให้ทั้งหมดหรือมันไม่ใช่เป็นเพราะว่าเราทําเองทั้งหมดและบางที่มันหลายอย่างปนกันทําให้เราไม่สามารถที่จะบ่งบอกได้ชัดเจนว่าอันไหนเป็นอันไหน ทีนี้ถ้าสมมุติเราพยายามจะบ่งบอกจะเกิดอะไรขึ้นนะออตรงนี้เธอไปหาหมอดูนะ ว, ว่านี่ที่เธอกําลังกยู่นี้นีชีวิตมีความสุขความทุกข์นี้นะเพราะว่าวาสุขเข้าวเสาแทรกนี่ต้องทําอย่างนี้คนที่พยากรณ์อย่างนั้นเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงนะเพราะว่าคุณไปขบคิดเรื่องของผลของกรรมเดี๋พระชจ้าบอกว่าผลของกรรมเนี่เป็นเรื่องที่ไม่ควครขบคิดเลยเป็นเป็นเรื่องอ่านจินไตถ้าคุณไปพยายามขบคิดแล้วเนี่ยจะทําให้เป็นผู้ที่มีส่วนในความเป็นบ้าเสียปล่า มันถ้าใครจะพยายามไปที่จัพยากรเนี่ยคุณจะเป็นบ้าซะเองนะหรือผูเช่าเตือนเอาเห้เพราะมันเป็นเรื่องที่มันเกินพยากรที่จะคนธรรมดาไม่สามารถทําได้ต้องคนวิสัยอย่างผู้เช่าเท่านั้น <c oughs> เพราะว่ามันมีผลอย่างที่อธิบายนะให้ผลถึงสามาระนั้นแล้วมันไม่ใช่การกระทําของเราอย่างเดียวมีกรรมเก่าผสมด้วยมีเหตุในอุตตุ ด, ด้วยมีเหตุนผู้อื่นด้วยทําให้มันเป็นสิ่งยากที่จะพยากรัดมากนะทีนี้เราทําอะไรชีวิตฉันจะทำอะไรนี่คือคําถามที่เราจะต้องตอบบนเตือใจ <Okay. S 2> ออแล้วถ้าอย่างนั้นบางทีมันมีความสุขเกิดขึ้นมันมีความทุกข์เกิดขึ้นในชีวิตของเราแล้วเราจะทําอะไรพร <Okay. S 2> นะเจ้าบอกงี้ว่าถ้าสมมุติว่าเธอไปเที่ยวขอนะขอด้วยความเพียรของฉันไม่ใช่ขออย่างเดียวทําความเพียรด้วยเช่นเอาหัวหมูไปตั้งนะทําความเพียรอย่างใดอย่างหนึ่งในสมัยพุทธกาลนี่เขามีเอาตัวมาทรมานตัวเองคุณเดินใจด้วยกันอดข้าวก็ตามโดยการทรมานตัวเองเป็ น, ย, นยืนตลอด3เดือนอย่างเงี้ยไม่นอนไม่นั่งนะ <Okay. S 2> แล้วก็ไม่เดินยืนอย่างเดียว <Okay. S 1> ถามว่าคุณทําความเพียรตรงนี้ด้วยการทําความเพียรด้วยการขอก็ตามเนี่ยจะขอว่าไอ้ไอ้ไอกรรมที่เราได้ทําให้ดีวะเนี่ยขอให้เป็นอโหสิกรรมเนี่ยมันไม่ได้ไงไม่ไม่สามารถทําได้ไอ้สิ่งที่เราทําไว้ไม่ดีไม่ดีเนี่ยนะอย่างที่เมื่อก่อนเราอาจจะคิดเกลียดเขาด่าเขาว่าเขาอาตมารับรองให้เลยว่าต้องให้ผลแน่นอนให้ผลแน่นอนอแต่ถามว่าเราสามารถทําให้เบาได้ไหมได้ทำใ ห, ทำให้ทำให้มันหนักให้มันเบาเนี่ยได้ แต่พระเจ้าเคยเปรียบกับการที่เราเอาเอาก้อนเกลือมาผสมในแก้วน้ำนะถ้าปริมาณ น, น้ําในแก้วน้ำเนี่ยมันน้อยเอาก้อนเกลือใส่ลงไปเราจะเค็มแต่ถ้าเอาปริมาณก้อนเกลือเท่ากันเ น, นี่ยไปใส่ในแม่น้ำคงคาหรือถ้าเปรียบเทียบกับแม่น้ำเจ้าพระยาก็แล้วกันนะความเค็มเนี่ยจะไม่มีนะเปรียบเทียบบาปกรรมที่เราเคยทํามาเนี่ยมันจะต้องให้ผลแน่แต่ว่าการให้ผลของเขาเนี่ยจะหนักหรือจะเบาขึ้นอยู่ว่าคุณมีบุญมากหรือบุญน้อยนะปริมาณ น, น้ำเนี่ยคือตัวบ่งบอกถึงเปริบุญที่เรามี ดังนั้นถามว่าเราจะสร้างบุญทำยังไงนะเพื่อที่จะให้ชีวิตของเราเนี่ยอย่างน้อยถ้ามันกรรมมัชั่วมันให้ผลอยู่เนี่ยนะมันจะได้บาบางลงโอ <Okay. S 1> นะเคผู้ช้าก็พูดถึงเรื่องอริยามรรคมีองแปนะถ้าเราปฏิบัติตามอริยามรรคมีองแปนะก็คือเป็นการสร้างบุญละันะจะเป็นตัวเหมือนกับว่าคอยรองรับสมมุติมีคนจะมาชกเราอย่างเงี้ยนะ <Okay. S 1> นะก็เอาหมอนมามาม า, มากั้นไว้ระหว่างหมัดกับหน้าเราทําให้ตดนชกอยู่แต่เบาๆหน่อยดังนั้นไอ้ตัวหมอนที่มากั้นระหว่างหมัดกับหน้าเราเนี่ย มันก็เป็นตัวบุญที่เรามีทีนี้ ท, ทําให้บางคนเนี่ยไปไปเข้าใจอย่างนี้ว่าอ้าถ้าชีวิตฉันเนี่ยถูกกรรมซ้ําอะไรละ่ะลมพายุมรสุมในชีวิตถูกเคราะห์ร้ายซ้ํากรรมซัดอะไรต่างๆนา น, า น, นี่นะทำให้คิดว่าฉันเลิกทําความดีแล้วอันนี้คิดไม่ถูกนะคิดไม่ถูกนะคุณไม่ควรคิดอย่างนั้นเพราะว่าบางทีเนี่ยนะบรรจังหวะชีวิตมันเป็นอย่างนี้คุณสนใจบางทีเนี่ยชนะ่วงนี้เป็นช่วงที่กรรมกรรมกำลังกรรมที่ให้ผลเป็นทุกข์กำลังให้ผลอยู่ นันในระหว่างที่กำให้ผลเป็นทุก์กําลังให้ผลอยู่เนี่ยกรมให้ผลเป็นสุขมันเข้าให้ผลไม่ได้จกค่ะอ่าแล้วถ้าเราเผื่อว่าเราเราหันไปทางชั่วคบเพื่อนชั่วทําชั่วอันนี้คุณพลาดเลยคุณพลาดเลยคุณจะไปสู่ในทางที่เป็นอมิจฉามทกคือเดินไปทางมิจฉาทกเท่ากับเลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวซ้ายนี่คือคุณพลาดจะไปสู่ปากทางสู่อบปยภูมิได้ถ้าไม่รอดก็คื อ, คอสวยไปแ ต, แต่ถ้ารอดคือเจอเพื่อนดีที่คอยชักชวนให้ตั้งมัน่นตั้งใจทําความดีต่อนะ เพราะว่าเราจะต้องมีสตินะในการที่จะละสิ่งที่ควรละเว้นอย่างจริงๆจัง ๆ, ๆนะทำสิ่งที่ควรทําอย่างจริงๆจังๆแล้วเนี่ยถือว่าเป็นผู้มีสตินะพอไอ้ช่วงนี้มันผ่านไปแล้วเนี่ยกรรมกรรมที่ให้ผลเป็นสุขเข้าให้ผลได้เนี่ยเราก็จะมีความสุขได้เจ้า่ ะ, ออะพอฟังพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนโดได้สากฉาหรือว่าพูดคุยมาถึงตรงนี้นะเจ้าคะ่ะยมอยากจะขอกราบอนุ ญ, ญาตที่จะขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ไพบูุญเจ้าค่ะว่า เมื่อสักครู่เมื่อช่วงต้นท่านพระอาจารย์บอกว่าการขอที่ว่าเพื่อให้เกิดการอาโหสิกรรมนะเจ้าคะเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นไปไม่ได้คือเกิดเกิดไม่ได้นะเจ้าคะอันนี้โยมคิดว่าก็ย้อนมานึกถึงตัวเองนะเจ้าคะหรือว่าอาจจะมีท่านผู้ฟังอีกหลายๆท่านนะเจ้าค่ะว่าบางทีเราไปทําบุญทํากุศลต่างๆเนี่ย โดยมากเราก็จะนึกที่จะแผ่กุศลใช่ไหมเจ้าคะให้กับบรรด า, าให้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้บิดามารดาให้ครูบาอาจารย์อนีเจ้าคะเทพเทวาทั้งหลายและสิ่งหนึ่งที่คิดว่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เวลาแผ่เมตตาเนีเจ้าคะหรือแผ่กุศลไปเนี่ย จะต้องให้เจ้ากรรมนายเวรของเราอะเจ้าค่ะแล้วก็ขออโหสิกรรมอย่างเนี้เจ้าค่ะพอประเด็นนี้ว่าเอ๊ะไม่มีการขออโหสิกรรมได้นี่ถ้าโยมเป็นแบบเอ่อเป็นเหมือนคารวะทั่วไปก็คงมีท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่านอาจจะสงสัยว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นเนี่ยไอการที่เราพยายามยสร้างความเพียรไปเปินแบบธรรมก็ตามหรือว่าทําบุญตักบาตรสร้างกุศลต่างๆแล้วก็อุทิศนั้นเจ้าค่ะให้กับเจ้ากรรมนายเวรของเราเที่เราล่วงเกิน ท่านมาเนี่ยก็เขาบอกให้นึกย้อนไปถึงไม่ว่าแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติเนี่ยขอให้อนุโมทนาบุญรับบุญกุศลให้เขามีความสุขแล้วก็ขออโหสิกรรมในสิ่งที่เราล่วงเกินเนี่ยอันนี้จะไม่เกิดผลเหรอเจ้าคะอันนี้ต้องทําความเข้าใจตรงนี้ว่าการที่ขอว่าอว่าไอ้สิ่งเนี้ยให้มันเป็นไปอย่างอื่นด้วยรรด้วยความเพียรอย่างเงี้ยไม่ไม่สามารถทําได้อันนี้ที่เราเข้าใจกันนะที่อาตมาได้พูดไปทีนี้ไอ้คําว่าที่เราขออโหสิกรรมเนี่ยคือหมายว่าเราขอโทษ นะเรารู้สึกไม่ดีในการที่เราได้เคยทําสิ่งที่ไม่ดีไปนะด้วยความที่โงกเขลาบัญญาด้วยความที่ไม่มีสติก็ตามแตนะ่ทําให้เราทําสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้วเนี่ยในการทําสิ่งที่ผิดพลาดเนี่ยถ้าเราตั้งใจใหม่นั้นะแล้วาทาใหม่การตั้งใจใหม่ตรงนั้นนะคุณเตือนใจเป็นอโหสิกรรมเข้าใจไหม hey, สมมติเราทําไม่ดีกับพ่อแม่โอ้ยเมื่อก่อนนี่ด่าว่าพ่อแม่ อ, ม อ, นนอแล้วก็ทําให้ดีล่ะ ทุกวันนี้อพอมาฟังคําสอนของพระสงฆ์องค์เจ้าฟังคําสอนพระเจ้าแล้วเรารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราไม่ควรทําเราตั้งใจใหม่ขออโหสิกรรมณวินาทีนั้นเนี่ยคุณตั้งใจใหม่แล้วนะคุณตั้งใจใหม่แล้วไอ้กรรมที่เกิดขึ้นตรงนั้นก็จะเป็นอโหสิกรรมละของของใจใหม่ที่ตั้งนะแต่ไอ้ของเก่าที่เราทําไปแล้วเนี่ยคุณยังไงก็ต้องได้รับผลนะทีนี้ไอ้จิตใจที่เราตั้งหม่ว่าเออเราขอโทษขอโทษเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่ า, าให้ให้เป็นการแผ่กระแสความรักความเมตตาไปแต่เป็นการตั้งจิตให้ดี นะเราจะไม่ผูกอาฆาตกับคนนั้นทีนี้ไ อ, เ, อเรื่องเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยที่เราเคยคุยไปในรายการเมื่อตอนก่อนๆว่าการเป็นเจ้าข้าวเจ้าของนี่ไม่มีนะแต่เวรมีกรรมมีพระเจ้าเคยบอกไว้าการผูกเวร น, นี่มีสมมติเราทําดีทุกอย่างเลยมีแต่คนมาผูกเวรกับเราอันนี้เกิดขึ้นได้แต่นะถ้าเราต้องการคลายเวรตรงนี้นะเราให้ทานสวดมนนะรักษาศีลประพฤติประมาจันพวกนี้จะช่วยทําให้คลายเวรการผูกเวรตรงนี้ได้นะแล้วก็ที่เราบอกว่าเราเป็นอโหสิกรรมเนี่ย คือเราเราไม่ไม่เราให้อภัยขเขาแต่เราไม่ถือโทษโกรธเคืองแต่เราไม่ผูกเวรนี่คือใจเราเป็นอย่างนี้แ ต, แต่ใจคนอื่นเขาจะเป็นยังไงเราจะไปบังคับได้ยังไงแต่มื่คุณเื่อใจจะไป บ, บังคับคนอื่นให้ใจเป็นยังไงได้งไงเพราะว่าใจยังทำไม่ได้เลย ก, ก็คือผลที่เราทําอยู่เดิมนั้นก็ก็ยังต้องได้รับอยู่ถูกไหมเจ้าค่ะต้องถูกแต่ว่าเวลาเราขอโอโหสิกรรมก็คือเราเริ่มต้นที่จะสร้างกรรมดีแล้วก็พยายามอุทิศ แผ่ส่วนกุศลไปให้เขาให้เกิดความเจริญเกิดความสุขไม่ว่าเขาจะอยู่ในภพใดชาติดใดก็ให้เขาเลื่อนภพเลื่อนภูมิขึ้นไปพอเขามีความสุขมีอย่างนี้มันก็เหมือนเป็นการที่เราสร้างบุญเหมือนกับมีแม่น้ําที่ว่าจะเข้ามาละลายเกลือไอสิ่งที่ไม่ดีให้มันบางไปจนกระทั่งไม่เกิดผลต่ะเจ้าค้าใช่ทาให้ตรงนี้พอพอคนอ ไปเข้าใจอย่างที่คุณตัใจว่าเอองั้นขอโหสิศรรีกามงั้นจะฉันในวันนี้ฉันขอรับไปและกันฉันขอทําความออลําบากความเพียรสักอย่างในอหนึ่ง <Okay. S 1> เพื่อที่ขอชดเชยให้เธอจากความช่วที่ฉันเคยทํามาอย่างเงี้ย <Okay. S 1> ทำให้สมัยก่อนอินเดียเนี่ยเขามีนักบวชประเภทที่ว่าทําตัวเองให้ลําบากไง <Okay. S 1> เพื่อที่จะขอชดเชยสิ่งที่ไม่ดีที่ฉันทํามา <Okay. S 1> ก็เข้าเข้าทํานองเดียวกันเลย แต่ยังบางคนอาจทำตัวให้ลําบากไปอยู่ปา่าลําบากลําบากหรือพระสงฆ์บางรูปอาจจะคิดว่าฉันเข้าป่าให้ลําบากลําบากเนี่เพื่อที่จะชดเชยกรรมที่ฉันทําไม่ดีเอาไว้กับพ่อแม่บ้างกับคนอื่นบ้างให้มันได้ลําบากลําบากซะฉันจะได้อาโหสิกรรมเป็นอโหสิกรรมแต่คุณพิคิดผิดเลยอ๋อเจ้าค่ะอ๋อเจ้าค่ะนี้ถามว่าแล้วที่ถูกทํำยังไงอ๋อแล้วถามว่าการการทําความเพียร น, นี้ถูกหรือผิดเนี่ยที่ฉันทำอย่างพระสงฆ์มายอยู่ป่านี้อยู่ทําไมนะถ้าเราไปคิดว่าเอ้ยเราคุณอยู่สบายก็ได้แล้วคุณมาอยู่บากระลำบากทําไม <Okay. S 1> เอาว่าไอ้ความลำบากตรงเนี้เราต้องพูดถึงว่าคุณทําอะไรแตนะพระเจ้าเคยระ บ, บุถึงว่าความทําความเพียรอย่างไรจึงจะมีผลขึ้นมาได้นะนะด้วยการทํา <Okay. S 1> ความเพียรก็คือ1นนะึไม่เอาทุกมาทับถมตนเองที่ไม่มีความทุกทับถมนะคือเราเราไม่ได้มีความทุกเราอย่าไปหาความทุกมาใส่ตัว 2. ไม่สละความสุขที่เกิดโดยธรรมถ้าเรามีความสุขอยู่แล้วที่เกิดโดยธรรมนะ ทีกโดยทาําเช่น เ, เงินทองเราหามาได้ด้วยความสุจริตนะเรานั่งสมาธิมีความสุขในใจผู้นี้เป็นความสุขที่เกิดโดยธรรมทั้งสิน้นสา3เป็นผู้ที่ไม่ห ม, ม, ม, นะ ม, มกมุ่นในความสุขนั้นนะไม่หมกมุ่นในความสุขนั้นนะอ่าถ้าเราไม่หมกมุ่นในความสุขนั้นแล้วเนี่ยสอย่างนี่การทําอะไรก็แล้วแต่ด้วยใจ3อย่างนี้นะถือว่าอันนั้นเป็นการทําความเพียรที่มีผลเช่น <separation, S 1> เราไปให้ทานนะถวายอาหารในพระสงฆ์ใส่บาตก็ตามเราคิดว่าเออบุญกุศลเนี่ยฉันทําความเพียรละ นะด้วยใจที่เป็นอย่างนี้นะฉันก็ตั้งใจทําสิ่งที่ดนะีสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราก็สร้างบุญเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้ความชั่วความเลวที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันเบาลงไปอันนี้ได้นะชื่อว่า ค, ความเพียร น, นั้นมีผลาการใส่บาตรนั้นมีผลการไปอยู่ป่ายอย่างนั้นมีผลนะการทําอะไรที่ทําให้ตัวเองมีความเพียรเนี่ยมีผลเพราะบางคนเนี่ยถ้าอยู่สบายแล้ว อ, ก, อกุศลธรรม ม, มันหายไปอกุศลธรรมมันเกิดขึ้น นะคือ<ช>อยู่สบายบางทีแล้วขี้เกียจขี้คร้นานเอาที่ยวทําสิ่งที่ไม่ดีเอางี้แล้วกันฉันไปอยู่ลําบากแตนะ่ถ้าคุณมีใจคิดว่าไปอยู่ลาบากอย่างพระสงค์เนี่ยมาอยู่ป่าอยู่เขาลำบากลำบากเพื่ออะไรนะเพื่อที่จะขูดเกลาไอสิ่งที่เป็นกุศลเนี่ยให้มันเกิดขึ้นนะทำสิ่งที่เป็นอกุศลเนี่ยไม่ให้มันเกิดขึ้นนะจิต ท, ที่ทรงเป็นกุศลอย่างเงี้ยคือความสุขที่เกิดขึ้นโดยธรรมอันนี้คุณหาได้ดคือหาในาใจนะแล้วพอเราทําอย่างเงี้ยชื่<ข>อว่าความเพียรนั้นเนี่ยทําให้มีผลได้ออืเจ้าค่ะ แต่ไม่ใช่ว่าทำทาไม่ดีแล้วจะมาแค่ว่าเออขอเดี๋ยวขอเอาศิกรรมก็หมดกันไปอย่างนี้ถ้าคิดอย่างนั้นก็ผิดแน่นอนผิดแน่นอนผิดแน่นอนเจ้าค่ะเจ้าค่ะทีนี้เราต้องรับแน่นอนเน่ยยังไงก็ตามบางคนมานั่งสมาธิแล้วก็ยังแบบคิดฟุง้งซ่านอหลมันก็มีเพราะฉะนั้นอย่างอย่าง ในเรื่องนี้กคิดว่ายัางมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องกรรมอีกหลายอย่างที่เราจะมาพูดต่อในวันพรุ่งนี้ได้คุณเตอร์ใจเจ้าค่ะเสียดายที่ว่าเวลาในรายการเหลืออยู่ไม่ถึง1นาทีนะเจ้าค่ะ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยก็คงจะต้องคุยต่อผู้มีแน่นอนคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านอยากจะขอเรียนเชิญชวนให้ตื่นมาพบกันพรุ่งนี้ใหม่นะคะตอนตีห้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในรายการธรรมาราประรุณ น, นี้ค่ะค่ะไม่ทราบว่าทางพระอาจารย์ไพบูรุณอภิพุโนโ ท, ท่านมีอะไรที่จะฝากสักนิดหนึ่งทิ้งทา้ายไหมเจ้าค่ะ ก่อนที่เราจะคุยกันต่อในวันพรุ่งนี้เรื่องของกรรมเจ้าค่ะต้องบอกงี้ว่าเราทําความดีนะคนที่ทําความดีทําดีได้ดีทําช่วยได้ช่วนี้เป็นเรื่องของกรรมแน่นอนแล้วเราจะมาอธิบายกันต่อไปในวันพรุ่งนี้ในเรื่องของตัวนี้คํานี้ เจ้าค่ะ <tang> ก <ar> ็ขอกราบนมัสการขอพระคุณท่านพระอาจารย์ไพบุญอภิพุโหนพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมปริเกล้นตามพุทธวจนะหรือพุทธโอษขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแห่งวัดป่าดอนหโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตําบลดอนหโศกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีซึ่งก็มีพระเอพรุ่นอาดรสะอาดที่โตพโสหรือท่านพระครูสิทธิปภะกรท่านเป็นเจ้าอาวาสผู้ ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและก็มีเรื่องศิษย์ลูกหาอยู่มากมายทั่วประเทศนะคะก็คิดว่าเช้าวันนี้คงจะต้องอนําท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะคะกราบน้ำมัสการขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์ไบบูลอภิพุนโนแล ะ, ะหลวงพ่อดรศาสตร์รตรที่ตัวผ า, าโสเพียงแค่นี้เราพบ ก, กันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้นเวลาเดิมนะคะกราบนมัสการลาเจ้า่าพระอาจารย์เจ้าขาเชิญพ า, า, าสาธุเจ้าขา